สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิว์เพเยซูตอนที่492ภาวะทะาเจ็ดประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนภะวาท้าที่สี่มัทธิวบทที่27ข้อ46พระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉนไนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย ภะวาท่านนี้เป็นถ้อยคําแห่งความเจ็บปวดและการถูกทอดทิ้งขออนุญาทบทัวนะครับถ้อยคําแรกบนไม้กางเขนของพระเยซูพระเยซูตรัสขณะที่ถูกตะปูตอกที่พระหัตต์และที่พระบาทเป็นถ้อยคําแห่งการให้อภัยโอพระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทาอะไรถ้อยคาที่สองเป็นภาวะ ถ้อยคําแห่งความรอดพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสกับโจรบนแมงเขนว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบะลอมสุกเกษมถ้อยคําที่สามเป็นถ้อยคําแห่งความรักพระเยซูตรัสกับนางมารีว่าหญิงเอย๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดพราวะท่าแรกหรือถ้อยคําแรกเกี่ยวกับความไม่รู้เรื่องของพวกเขา ไม่รู้เงื่อนไขนิรันดร์ของการตึงแมงเข็นไม่รู้ว่าเขากำลังตึงใครอยู่แท้จริงแล้วเขากำลังตึงองค์พระผุเ้เนเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดแสดงว่าเขาปฏิเสธที่จะไม่รับความรอดอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจถ้อยคำที่สองนั้นเป็นผลของการสำนึกผิดและความเชื่อศรัทธาของโจร ทำให้เขาได้รับชีวิตใหม่หลังจากความตายไปแล้วเขาจะได้อยู่กับพระเยซูในเมืองบารอมสุกเกษมถ้อยคำที่สามนั้นเป็นพระวจนะแห่งความห่วงใยเป็นความเมตตาสงสารของพระเยซูที่มีต่อนางมารีมารดาของพระองค์ในโลกนี้ในเมื่อพี่น้องฝ่ายโลกของพระองค์ก็คือพวกสาวกนะครับและพี่น้องจริงๆ ซึ่งเป็นน้องๆท้องเดียวกันยังปฏิเสธพระองค์พระองค์จึงทรงให้หนางมารีนั้นอยู่ในความไว้วังใจการดูแลของอ克รสาวกยอนผู้ซึ่งมีความกล้าหาญมากในเช้าวันนี้นะครับพระวาทรประการที่สี่ก็คือคำอธิษฐานที่เกิดจากการถูกทอดทิ้งจากพระบิดาซึ่งไม่เคยมีมาในประวัติศาสต ตั้งแต่อัลฟาจนถึงโอเมก้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าประสบการณ์ถูกทอดทิ้งนั้นเป็นประสบการณ์ที่พระเยซูไม่เคยประสบมาก่อนการถูกทอดทิ้งเพราะเหตุความบาปของพวกเราทั้งหลายซึ่งถูกเทลงไปที่ตัวของพระเยซูบนแมงเขน็นทําให้องค์พระเจ้าพระบิดาที่อยู่บนสวรรค์นั้น แยกจากกันซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาก่อนเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นปีเอกานุภาพทรงตรัสว่าเรากับพระบิดานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เคยทอดทิ้งกันไม่เคยแยกจากกันเลยพี่น้องครับเมื่อความบาปของพวกเราและของมวลมนุษยชาติทั่วโลกเทลงไปที่บนแมง เ, เขนที่บนตัวพระกาย ขององค์พระเยซูคริสต์ทำให้พระบิดาจะต้องแยกจากพระเยซูเป็นการชั่วคราวถูกทอดทิ้งพี่น้องครับขณะที่ความง่ายของเราในการรับชีวิตนิรัน์ก็คือเชื่อในพระเยซูแต่มันมีความซับซ้อนมีความ ท, นนามทุกข์ลำบากของพระเยซูนะครับก็คือ พระเยซูนั้นเป็นเครื่องบูชาที่เป็นตัวแทนของพวกเรารับความตายครับเพื่อที่เราจะได้รับชีวิตความซับซ้อนของพระวาทะนี้ก็คือพระเจ้าทรงยอมให้ผู้บริสุทธิ์ถูกลงโทษแทนที่คนผิดได้ยังไงนะครับและตรีเอกานุภาพจะถูกแยกชั่วคราวได้ยังไง ยงครับคำตอบไม่ง่ายครับแต่เรารู้ว่าความเป็นตรีเอกานุภาพของพระเจ้านั่นคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยถูกแยกกันเลยเพราะเป็นอันหนึ่งันเดียวกันตลอดเวลาขณะที่ผู้บริสุทธิ์คือพระเยซูนั้นถูกลงโทษแทนนั่นเกิดจากความรักครับเกิดจากความรักที่พระเยซู ซึ่งเป็นพระบุตรองคเดียวที่รักของพระบิดาเจ้าได้เสียสละพระชนชีพของพระองค์บนไม้กางเขนยอมตายเพื่อเราทั้งหลายแด้วยเหตุนี้พระองค์ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์จึงยอมถูกลงโทษแทนเราที่เป็นคนผิดการทนทุกข์และการสิ้นพระชนของผู้บริสุทธิ์ก็คือพระเยซูเห็นได้บนแม่งเขนครับ ระเยซูทรงเลือกและที่ฟงทรงเลือกนั้นเลือกกระทำต า, ตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากก็คือไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คนบริสุทธิ์จะต้องถูกลงโทษแต่นี่คือความสมัครใจของพระเยซูเองถามว่าความสมัครใจนี้เกิดขึ้นเพราะความรักกับเราจะเห็นว่า พระเจ้าจัดเตรียมการไถ่โทษนะครับมากกว่าการแก้แค้นพระเจ้าเตรียมการให้อภัยมากกว่าการลงโทษพระเจ้าปรารถนาที่จะให้มนุษย์กลับคืนสู่สภาพเดิมแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมพระองค์ไม่ลงโทษคนบาปไม่ได้ทั้งนี้ เมื่อเราคิดถึงประเด็นนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูจึงจำเป็นที่จะต้องรับโทษบาปแทนเราเพื่อความยุติธรรมเพื่อการพิพากษาของพระเจ้าจะตรงยุติธรรมและชอบธรรมเสมอพี่น้องครับพระเยซูร้องด้วยความเจ็บปวดและเมื่อพระเยซูถูกทอดทิ้งโดยพระบิดาเจ้าปรากฏการ ที่เกิดขึ้นสองอย่างก็คือความมืดขับพลันความมืดขับพลันพระงัมภีร์บันทึกว่าไม่ใช่สุริยุปราคาแต่มันกลายเป็นเที่ยงคืนในเวลาเที่ยงวันความมืดนั้นยาวนานถึงสามชั่วโมงครับเป็นเวลาที่นานพอที่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจะสังเกตเห็นได้และจะหนักถึงบางสิ่งบางอย่างเหนือธรรมชาติที่พระเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันครับ เวลาของความเมื่อนั้นพิสูจนให้เห็นถึงเวลาที่พระบุตรของพระเจ้ากลายเป็นผู้รับแบกความบาปสามชั่วโมงนั้นแหะครับเป็นเวลาที่พระบุตรของพระเจ้ากลายเป็นผู้รับแบกความบาปของมวลมนุษย์ที่หลงหายเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำการพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าผ่านทางพระองค์ อันนี้บันทึกอยู่ในพระธรรมสองโครินท์บทที่ห้าข้อยี่สิบเ็ดความมืดกลายเป็นหมายสำคัญของการหันจากไปของพระบิดาจากพระบุตรและจะทิ้งพระองค์ให้อยู่ตามลำพังถึงสามชั่วโมงนี่คือความมืดประการต่อไปเราจะเห็นม่านในพระวิหารถูกทำลายฉีกขาดออกเป็นสองท่อนพี่น้องรู้ไหมครับว่าม่านนี่มันหนาถึงสามนิ้วครับแลวมันสูงหกสิบฟุต กว้างสามสิบฟุตมันจะไม่ฉีกขาดด้วยตัวมันเองได้มันต้องถูกฉีกอย่างเจตนานะครับมันไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวแล้วมันก็ฉีกไปเองไม่ใช่ครับนะเพราะแผ่นดินไหวนั้นมันยังไหวไม่มากพอที่ทาให้ม่านที่หนาถึงสามนิ้วนั้นฉีกขาดออกมาได้เพราะว่าถ้าจะให้ม่านสามหนาสามนิ้วฉีกขาดออกมาได้นะครับพระวิหารต้องพังแล้ว มันจะต้องถูกฉีกออกโดยเจตนาเพื่อแสดงว่ามนุษย์นั้นสามารถมีสามาัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ม่านนี้เป็นม่านในพระวิหารที่ถูกแบ่งนะครับสถานที่เรียกว่าอภิสุทธิสถานก็ ค, คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับซึ่งเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าเป็นไม้สําคัญของการประทับของพระเจ้า มีเพียงมหาปุริทเท่านั้นที่รับอน ญ, ญาตเข้าไปในส่วนนี้ของพัะวิหารปีละครั้งเดียวเท่านั้นครับในวันแห่งการยกบาปหรือเทียวว่า atonement a t o n e m e n t atonement ก็คือวันแห่งการคืนดีกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าโดยการยกบาปนั่นเองที่น้องครับมีสิ่งที่สำคัญเกิดขึ้นนะครับสองอย่างนี้คือความมืดฉับพันม่านในพระวิหารถูกทาลายเมื่อพระเยซู ร้องด้วยความเจ็บปวดถูกพระบิดาทอดทิ้งพี่น้องครับเมื่อเราพิจารณาถึงพระวาฒ ท, ที่สี่นี้เป็นว่าพระวาฒ ท, ที่อยู่ตรงกลางครับนะครับก่อนหน้านั้นมีสามหลังจากนี้ก็มีอีกสามเป็นพระวาฒ ท, ที่แสดงถึงความเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสและความ เจ็บปวดทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณของพระเยซูเพราะฉะนั้นความทุกข์ยากลาบากของพระเยซูนี้รวมไปถึงไม่เพียงแต่ร่างกายครับแต่จิตใจและจิตวิญญาณด้วยเพราะว่าจิตวิญญาณ น, นั้นถูกตัดขาดจากพระบิดาเจ้าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะความรักของพระองค์ที่ปรารถนาจะช่วยเราให้รอดจากความผิดความบาปครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะทราบซึ้ง และเราจะสำนึกในพระคุณและความรักของพระองค์เสมอพระเยซูยอมสิ้นพระชนยอมถูกแยกจากพระบิดาเพื่อเราอาเมน